เมาูฟังมาฟังรายการนี้เน่นก็เพื่อว่าให้เราได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นธรรมะในการที่จะรักษาจิตของเราเอาไว้ไม่ให้มีอกุศลเกิดขึ้นนี่แหละคือประเด็นท่านผูฟังคุณฟังธรรมะก็เพื่อที่จะรักษากุศลธรรมเอาไว้คุณฟังธรรมะก็เพื่อที่จะเอาอากุศลธรรมออกไปถ้าอากุศลธรรมยังไม่ออกไปมันยังมีอยู่เนี่ย กุศลธรรมใหม่ๆมันก็จะเกิดขึ้นได้ยากเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ถูกอํำนาจของอกุศล่ทําให้มัวหมองอยู่ดีอย่างเช่นว่าเรายังไม่ได้ความสะอาดบ้านอย่างเงี้ยบ้านสกรปรกแล้วเธอโรครุงรังแล้เอาของใหม่ๆสะอาดดีๆมาวางมาแต่งมันจะไปสวยงามมาได้ไงเพราะว่าของเน่าๆมันยังของไม่ดีของสกรปรกมันยังมีอยู่เหมือนกันถ้าเราพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นสิ่งที่เป็นกุศลในขณะที่จิตเรายังเศร้าหมองจิตเรายังมีสิ่งที่เป็นอกุศลคือมันทำไปด้วยกันได้มันก็จะทำให้สิ่งที่เราเรียนรู้ใหม่มาใหม่นั้ น, นไม่ได้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่แต่มันก็จะมีความเศร้าหมองมีความมนหมองเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงควรที่จะต้องทำไปด้วยกั น, นคือแต่เนื่องจากการอธิบายเนี่ยบางทีมันต้องอธิบายยากกันเพราะว่าหูเรา มีแค่สหนะูปากมีปากเดียวในเวลารับข้อมูลมันรับได้ทีละอย่างแต่จิตนั้นเวลาประมวลผลมันเอาหลายๆอย่างที่รับเข้ามารับเข้ามาเนี่ยมาประมวลผลได้พร้อมๆกันได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงต้อควรจะต้องรู้วิธีที่จะเอาอากุศลออกจากใจของเรานะอากุศลที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะมาผ่านมาทางหูในะยินเสียงเขาพูดอะไรกันวับวแวบแ อกุศลจะเกิดขึ้นเราจะแก้อย่างไรหรือว่าได้เห็นภาพผ่านทั้งตาหอเห็นคนนี้ทากิริยามารยาทที่มันบาดตาบาดใจมากนมันดูไม่ได้เลยมันทนไม่ไหวแล้วอกุศลจะเกิดขึ้ น, นเราจะทํอย่างไรแต่คือไอตอนที่เราอดทนอยู่เนี่ยอกุศลละธรรมมันก็เกิดขึนอยู่แล้วเราจะเอาอากุศลละธรรมที่อยู่ในใจตรงนี้ออกได้อย่างไรโทษนะท่านผู้ฟัง โทษที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่เอาออกถ้าเราปล่อยให้สิ่งที่เป็นอกุศลค้างตึงขึ้นอยู่ในจิตของเราเนี่ยจิตของเราก็เศร้าหมองแน่ละจิตของเราก็ไม่มีสมาธิแน่ละจิตของเราก็ขุนมัวแน่ละไอ้ความเศร้าหมองไม่เป็นหนึ่งมีความขุนมัวสิทธสัตสายเนี่ยมันทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดมันทำให้เราตัดสินใจไม่ถูกทำให้เราไม่รู้ว่าเราควรจะ ไปซ้ายไปขวาดีคือตอนนั้นน่ะอาจจะมีความมั่นใจละ่ะว่าฉันจะทําอบนี้เช่นคนที่มีราคะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมีโทสะเกิดขึ้นเป็นต้นมีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่ทุกวันทุกวันบรนดาลโทสะปุ๊บก็ฆ่ากันตรงนั้นเขามั่นใจเต็มที่เลยว่าเขาจะฆ่าเอาถ้าเป็นอย่างนั้นแต่เขาการตัดสินใจของเขามันผิดนเพราะอํานาจของโทสะที่เกิดขึ้นทําให้เขาที่ว่ามั่นใจมั่นใจฉันทําแน่นอนฉันฆ่าเธอฉันยิงเธอ นั่นมันผิดไงเพราะถูกอกุศลครอบงำทําให้การตัดสินใจผิดพลาดบางคนก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งถ้าถูกโมหะครอบงําเอ๊จะทําดีไม่ทําดีอย่างเช่นว่าเราจะทําความดีอย่างเงี้ยเราจะให้ทานเราจะไปปฏิบททัติธรรมถูกโมหะครอบงํามีคนชวนไปตอนที่อกุศลมันเกิดขึ้นในจิตพอดีโอ้ไม่ไปไปเอ๊มันสับส น, น, นมันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเผื่อว่าเราไปาให้จิตของเราเนี่ย มันมีอากุศลที่อยู่ในโหมดของราคะเกิดขึ้นหรือราคะโลภะความอยากความต้องการถ้าเราปล่อยให้อากุศลนี้อยู่ในจิตมาเข้ามาเข้าแนะีเราจะทาผิดศีลเนะเราจะโกงเราจะพูดกล่าวคำเทศเพราะความอยากได้อ่เราจะกล่าวเทศตั้งๆั้งที่อยู่รู้เนะเพื่อเหตุแห่งเพียงอา m ิ t อย่างนี้พุะเจ้าก็เคยตรัสไว้เนื่อเพราะว่าอักุศลละธรรมที่อยู่ในจิตอกุศลลธรรมเวลา มันครอบงำจิตแล้วเนี่ยทำให้จิตเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองไอ้ความที่ว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยหมายกวามว่ามันอาจจะมีความมั่นใจในการทาผิดนี่นก็ไม่ใช่ตัวของตัวเองหรืออาจจะมีความสั่นไหวไม่มั่นใจไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรนั่นก็ลักษณะของโมหะนที่ว่ามีความมั่นใจในการทำผิดเลยแต่ถ้าทาผิดไปเนื่องด้วยความอยากรต้องการใช่ทผิดประเภทไหนก็แล้วแต่ บางคนฆ่าบางคนรักบางคนพูดโกหกแต่นะเพราะาอยากได้อันนี้เขาก็ทํากันอันนี้ก็เป็นความผิดบางคนฆ่าบางคนรักบางคนพูดโกหกแต่เพราะว่าความโกรธที่เกิดขึ้นใน่ใจอันนี้ก็เป็นความผิดซึ่งร่า๊งเงา่านะในเรื่องการทําผิดตรง น, นี้มันมันมาจากราคะโทสะโมหะนั่นแหละนะซึ่งราคะโทสะโมหะเนีน่ยก็คือพวกอกุศล น, นั่นแหละยังมีอกุศลอีกหลายอย่างนะมิจฉาทิฏฐิก็เป็นอกุศล มิชฉาสมาธิก็เป็นอกุศลหรือแม้แต่ความตระลีก็เป็นอกุศลความที่หวงกัน้นความสแสวงหาพวกนี้เป็นอกุศลหลายอย่างเกิดขึ้นในโดยเฉพาะยิ่งเวลาเราฟังอะไรก็แล้วแต่นะฟังข้อมูลผ่านทางวิทยุทีวีหรือว่าเขาปราศัยกันเราเห็นกิริยาท่าทางเราจะป้องกันอกุศลได้อย่างไรท่าพระเจ้าจึงจะต้องการเปรียบเทียบในที่นี้เหนะมือนกับว่าเรามีเพื่อนเรา แล้วก็มีจิตของเรามีตัวเรากับเพื่อนเราเนี่ยแะต่ถ้าเพื่อนเราเป็นคนไม่ดีในเอเราอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีปุ๊บก็จะมีการเบียดเบียน ล, ละหน้าที่ของเราก็คือต้องรักษาเพื่อนเอาไว้ใช่ไหมรักษาเพื่อนให้ไม่อย่าให้เขาอยู่ในความประมาทในด้วยการที่เช่นว่าเออบอกให้เขาทําสิ่งที่ดีๆเลิกทําสิ่งที่ไม่ดีซะบอกกันธรรมดาแตอันนี้ต้องอาเปรียบเทียบกับเวลาจิตของเราแต่ถ้าเกิดสิ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้น เวลาเกิดสิ่งที่เป็นอกุศนเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็เลิกซะนะเปลี่ยนเรื่องที่คิดทําในใจนั้นซะในะเช่นว่าถ้าเผื่อว่าเราคิดเรื่องเสือเรื่องหมอนแล้วมันจะง่วงเราก็เปลี่ยนเรื่องไปคิดซะเพราะความง่วงเนี่ยเป็นตีนะั่ม่ถาเป็นอกุศนธำตรงไหมเป็นหนึ่งในพวกนี้บอดเราก็เปลี่ยนเรื่องที่คิดนั่นซะให้ไปคิดเรื่องอื่นในะลักษณะงี้ในะพระเจ้าเปรียบเหมือนกับการทํางานของช่างไม้ ที่เขาทำช่างไม้แล้วเวลาที่เขาจะเอาแผ่นกระดานใหญ่ๆเนี่ยลงไปที่งานเพื่อที่จะปูอะไรต่างเวลาเลื่อนเวลาอะไรเนี่ยบางทีเขาต้องใช้สลักนะในการตอกโยกเลื่อนจเจ้าไม้แผ่นใหญ่นี้ด้วยสลักอันเล็กด้วยไม้แผ่นเล็กนะก็มีวิธีการงัดวิธีการเลื่อนการดึงของเขานะเพื่อที่จะเอาไม้เล็กๆหรือว่าอุปกรณ์ที่เล็กกว่านี่ดันไม้ใหญ่ๆหรืออุปกรณ์ที่ใหญ่กว่าได้ นี่เป็นกระบวนการวิธีการของช่างไม้ที่เขามีการงัดกันดันกันเหมือนกันรเราเปลี่ยนเรื่องนะทำในใจซึ่งเรื่องที่เป็นกุศลนั้นละเรื่องที่มันจะเป็นเหตุให้เกิดอกุศลนั้นนะเช่นว่าถ้าเราคิดเรื่องเสอือเรื่องมอญอย่างที่ว่าหรือว่าถ้าเราเห็นคนคนนี้แม้แว่ามันจะโกรธปรี๊ดขึ้นมาไม่พอใจอเราก็ไปเห็นคนคนอื่นเห็นบุคคลอีกคนหนึ่งที่ เราพิจารณาเห็นแล้วเออมันจะทําให้จิตใจเราสบายดีได้นั่นเป็นลนักษณะของเครื่องหมายที่นํามาสู่อารมณ์ที่เป็นกุศลหรืออกุศลทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเผื่อมันทําแล้วมันยังไม่ได้มันยังไม่ละไปทําไม่ไหวแต่คิดบางที่เราทําแล้วนั่นเราก็ปรากฏว่ามันก็ยังมีความง่วงอยู่มันก็ยังคิดเรื่องอกุศลอยู่แต่พยายามจะนึกหน้าคนอื่นแล้วก็กลับไปนึกหน้าไอ้หมอนี่อยู่เลยที่ทําให้เราโกรธทำให้เราขับแคนใจนั้นจะแก้ยังไง แต่เมื่อกับเพื่อนเราเราบอกให้เพื่อนให้คุณทําดีสิคุณนี่ยทําทชั่วเอ๊ะมันก็ยังทําชั่วอยู่แฮ่แต่ทำดีได้อยู่นิดๆหน่อยๆแตแก้ไขอยู่นิดๆหน่อยๆเอ๊ะแต่ก็ยังทําชั่วอยู่แฮ่ทำยังไงแต่วิธีการถัดมาที่พระพุทธเจ้แนะนําให้ทำนั่นก็คือว่าเอาให้เห็นโทษของอกุศลนั่นสิแต่เปเหมือนกับเวลาที่ชายหนุ่มหญิงสาวเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยนะเขาชอบแต่งตัวเขาชอบรักสวยรักงาม มีคนเอาซากสุนัขซากของเน่าของโสโครกเนี่ยมาแขวนที่คอเฮ้ยเขาจะรู้สึกอึดอัดระอาตังเกียดแบบขยักขยงมากเอาแค่ว่าไม่ต้องมาแขวนที่คอล่ะเอาวัยรุ่นที่รักสวยรักงานเห็นอะไรมันเน่าเน่าเห็นอะไรมันน่าเกลียดน่าเกลียดเนี่ยไม่ต้องให้มาแขวนที่คอล่ะมันอยู่ห่างไปสัก5เมตรนี่ก็ย้สึกขยะกขยงพอแรงแล่ะแตเหมือนกันให้เราเห็นโทษของอกุศลธรรมที่อยู่ในจิตนั้นซะ ใหเห็นโทษของอคุศลธรรมที่อยู่ในจิตนั้นซะอันนี้มันเป็นลักษณะที่แตกต่างกันนะท่าน้ฟังนะคืออันแรกเนี่ยให้เร า, เาใช้นิมิตคือเครื่องหมายนะอะไรตรงนี้มันจะนําไปสู่เรื่องที่ดีเราก็ใช้นิมิตตรงนั้นนะอย่างเช่นว่าเรานึกถึงในหลวงเรานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเออมันจะทําให้จิตใจเราสบายได้แล้วก็คิดซะตรงนั้นพิจารณาไปทําในใจไวนะ้แต่ถ้ามันไม่เวิร์กไงถ้ามันทําไม่ไดนะ้วิธีที่2คือให้เห็นโทษซะ อันนี้คือเริ่มเข้าข่ายความรุนแรงนะเริ่มเข้าข่ายความรุนแรงว่าเฮ้ยงั้นเราอธิบายนะให้ใจทําในใจของเราเนี่ยให้มันเข้าใจถึงโทษของความคิดที่เป็นอคุศลเหล่านั้นเหมือนแกันเราจะบอกเพื่อนบอกเพื่อนก็ต้องบอกเขาในลักษณะที่ว่าให้เขาเห็นโทษของสิ่งที่ไม่ดีที่เขาทํามานั้นนะเราบอกว่ า, าให้คุณทําดีสิให้คุณทําดีสิเอ้ยมันยังทําไม่ได้แต่ทําได้นิดๆหน่อยๆเอางั้นก็ต้องบอกว่าโทษของคุณที่ไม่ดีนะ มันจะเป็นอย่างนี้นั่นเป็นลักษณะการที่เริ่มมีความรุนแรงขึ้นมานั่นพระเจ้าเคยเปรียบเทียบว่าพระองค์เนี่ยสอนสาวกเนี่ยโดยความที่ละมุนละม่อมก็มีโดยลักษณะความรุนแรงก็มีหรือทั้งรุนแรงและละมุนละม่อมรวมกันเน่เปรียบเทียบกับนายเกษิที่ฝึกม้าเหมือนกันอันนี้เราก็ใช้วิธีที่ละมุนละม่อมก่อนตอนแรกในยการที่ให้คิดถึงเรื่องที่มันเป็นกุศลคิดถึงเรื่องดีดีเพื่อที่จะให้เจ้าอกุศลธรรมนั้นมันออกไปทีนี้ถ้ามันยังไม่ออกไปใช่ไหม ก็ต้องเริ่มเห็นโทษของมันเริ่มมาพิจารณาโทษของมันว่ามันมีโทษมากทีนี้ถ้ามันยังไม่ออกเราเห็นโทษของมันแล้วแหมเออเวลาเราคิดเรื่องชั่วในเวลาเรามีความโกรธเกิดขึ้นมันจะไม่จิตใจเราเร่าร้อนรุ่มร้อนมีการตัดสินใจอย่างไม่ถูกต้องเนจะิตใจเศร้าม อ, มองมองมัวคนรอบข้างก็ได้รับการเบียดเบียนไปด้วยมีโทษหลายอย่างพิจารณาใคร่ครวญแล้วนะมันยังไม่ได้ผล แต่ถ้ายังไม่ได้ผลแล้วทำยังไงแตนะ่วิธีที่3 ม, มีอยู่ตั้งแต่ฟังวิธีที่3นั่นก็คือว่าเลิกเลิกคิดสิ่งที่เป็นอกุศลนั่นสักนะ ม, มันต่างกับวิธีแรกตรงที่ว่าวิธีแรกเนี่ยเราใช้เครื่องมืออื่นมาช่วยอยนะเช่นว่าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าให้พระพุเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่เราจะระลึกถึงกุศลธรรมไดนะ้วิธีที่3นี้ก็คือตัดมันออกไปเลยไหนะอย่าให้มันมากวนเราไอ้เรื่องที่เป็นอกุศลนั้น เปรียบเหมือนอะไรพรนะรูปเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่มีตานะมีตาอยู่ตาคุณมองไปทางเนี้ยคุณเห็นรูปไอหมอ น, นี้เอา้างั้นเราก็ไม่ต้องไปดูซะเหลยวไปทางอื่นมองไปทางอื่นซะแตนะ่เหมือนการจิตเรามีอยู่หนะ่จิตเรามันจะไปน้ําไปในอกุศลธรรมอยู่เรื่อยงั้นคุณอยากให้มันไปนะต้องมีหลักมีที่พึ่งแตนะในที่นี้ก็คงจะต้องใช้ลมหมยใจบ้างแตนะใช้การสวดมนต์บ้าง หรือว่าใช้การฟังเทศบ้างการด้วยวิธีการอื่นๆต่างๆที่จะทําให้จิตของเรานั้นไม่ไปอยู่ในแดนที่เป็นอกุศลนะคือเลิกคิดทําในใจเรื่องที่เป็นอกุศลนั่นสัถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนแตนะ่เพื่อนเราเป็นคนทําสิ่งที่ไม่ดีเราบอกให้เขาทําดีแล้วเขาก็ยังทําไม่ได้เราบอกให้เขาให้ hey, พิจารณาเห็นโทษของความไม่ดีนะเขาก็ยังทําไม่ได้นะวิธีนี้ก็คงจะปริบเหมือนกันไปพิจารณาตัวเอง เราอยากมาคบกันสักระยะหนึ่งเราห่างเหินกันไปสักระยะหนึ่งห่างเหินกันไปสักระยะหนึ่งเพื่อให้ไปพิจารณาตัวเองให้มันดีขึ้นลักษณะที่3อย่างนี้ถ้าเผือว่ายังไม่ได้ปรากฏว่าจิตของเราก็ยังไม่สามารถที่จะละความชั่วนั้นได้แต่ยังมีอกุศลธรรมอยู่จะทํำยังไงก็ให้มีการปรุงแต่งพิจรารณารูปปั้นสันฐานไอ้เจ้าของเจ้าความคิดที่ไม่ดีเนี่ย ให้นเป็นลักษณะอื่นแลพระชาเปรีบเทียเหมือนกับว่าคนที่เดินรเร็วเนี่ยเอ้ก็มาดูเอ้ฉันจะเดินรเร็วไปทําไมฉันเดินค่อยๆก็ได้พอเดินค่อยๆเดินธรรมดาเฮ้จะเดินค่อยๆไปทําไมมันเหนื่อยเหมนกันเนี่ยเอายืนก็ได้ยืนเฉยๆดีกว่ายืนเฉยๆแล้วก็ามาพิจารณาต่อเฮ้จะยืนทําไมให้เหมือนเมื่อยเอานั่งลงดีกว่าเอานั่งลงแล้วเออมก็สบายดีฮะเฮ้แต่จะนั่งทําไมมันปวดหลังเอานอนดีกว่า นะก็คือเปลี่ยนอริบทจากหยาบๆเนี่ยให้มันเป็นอริบทละเอียดละเอียดเนะี่เหมือนกันถ้าเราพิจารณาเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลในแง่มุมของความเป็นธาตุบ้างแง่มุมอื่นๆบ้างนะแต่แยกมันออกทําให้มันละเอียดลงทําให้มันแยกชิ้นส่วนออกมานะอันนี้เราอาจจะคลายเจ้าอากุศลละธรรมเหล่านั้นได้ในวิธีการที่ตรงนี้ใช้ได้อย่างแน่นอนเลยนะเช่นว่าเร า, เาใช้ทําเครื่องขูดกล่าวอย่างนี้ แต่เป็นคนพูดชั่วพูดหยาบโกงนะทําสิ่งลามกทุกอย่างเฮ้ยมันทนไม่ได้แล้วมันเครียดเดีนะ๋ยมันจิตมันปริ๊ขึ้นมาอา้าวงั้นเราแยกแยะพิจารณานะไอ้เจ้าความชั่วความโกงความหลอกหลอนความชั่วหยาบของเขานะแยกแยะออกมาเดนะมันเกิดจากอะไรนะตัวเราจะไม่ทํำเป็นทำเครื่องขุดกล่าวว่าเห็นคนอื่นทําแล้วเราจะไม่ทำํำนะแยกแยะแตกมันออกมาพูดง่ายๆก็คือ ให้เห็นมองในแง่อื่นของเขามองในแง่อื่นของเจ้า อ, อกุศลธรรมนั้นว่าเผื่อมันจะมีประโยชน์ขึ้นมาบ้างในเช่นว่ากรณดิ่งของคนทําชั่วอย่างเงี้ยมันก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าใครเห็นความชั่วนแล้วจะไม่เอาเป็นตัวอย่างเออันนี้มันก็จะดีขึ้นไม่ได้นะใจของเราก็ยังตั้งอยู่ในกุศลธรรมขึนมาบ้างเพราะนั้นลักษณะการใช้อริบทที่ละเอียดละเอียดนะมองในแง่มุมที่ละเอียดละเอียดลงไปเนี่ยอาจจะทําให้เราคลายสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมลงได้ ท่านูฟังเราพิจารณาดูนะตั้งแต่เราไล่มาเนี่เรายิ่งใช้กําลังจิตมากขึ้นมากขึ้นนะนะใช้กําลังจิตมากขึ้นมากขึ้นตรงไหนในะตรงที่ว่าอันดับแรกเนี่ยครั้งแรกเราใช้เครื่องมืออื่นช่วยแทบจะไม่ได้ต้องพูดถึงเรื่องจิตของเราเลยเรานึกถึงพระรเจ้าบ้างนึกถึงบุคคลที่ดีที่เราเคารพ บ, บ้างนะหรือว่านิมิตอย่างอื่นบ้างมันจะทําให้จิตใจของเราตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้นะัคืออาศัยเครื่องมือช่วยแตนะ่ต่อมาเราก็พยายามเห็นโทษของมันแตนะ่ก็ใช้กําลังจิตมากขึ้นต่อมาก็เลิกคิด เลิกคิดสิ่งที่เป็นนั้นก็ใช้กําลังจิตมากขึ้นจนถึงตอนนีนะ้ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่ามองเห็นละเอียดละเอียดลงไปก็ต้องใช้กําลังจิตในการที่จะเพ่งพิพจารณามากขึ้นนะเพื่อให้อคุสตรธรรมนั้ น, นมันออกไปตอนนี้พระเจ้าก็เปลี่ยนเหมือนกับคนที่ทํำอริยบทหยาบๆแล้วก็เปลี่ยนมาทำอริยบทละเอียดละเอีย ด, ยย ด, ยย ด, ยยดลงแต่เนะพราะนั้นเวลาเรามีอคุสตรธรรมเกิดขึ้นนะเราพิจารณาให้ลึกลงไปอย่างนี้ก็ได้ นะเพื่อที่จะให้ข้ามร่วงเจ้าความคิดที่เป็นอกุศลเหล่านั้นวิธีสุดท้ายท่านผู้ฟังถ้าผมว่าเราทําทุกวิธีแล้วแตนะ่ไม่ว่าจะเปลี่ยนคิดเรื่องอื่นนะทำใจใจเรื่องอื่นให้เห็นนิมิตเรื่องอื่นเอานิมิตอย่างอื่นมาช่วยแตนะ่เหมือนช่างไม้ที่เขาใช้ลิมสลักอันเล็กต่อเลื่อนลิมสลั ก, อ, ล อ, ก, อ, ลลกอันใหญ่ได้แล้วนะก็ไม่ได้หรือได้อยู่นิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะทายัางไงเอางั้นก็ ให้เห็นโทษของสิ่งที่เป็นอกุศลเปรียบเหมือนกับคนที่เขารักสวยรักงามเนี่ยเขาเห็นสิ่งที่เป็นน่าเกลียดสิ่งที่น่าขยะกขยงสิ่งที่เป็นซากศพซากของเน่าของเหม็ น, ข เ, นเขาก็จะขยะกขยงเหมือนกันเราพิจารณาให้เห็นเจ้าอากุศลเนี่ยเป็นของที่น่าขยะกขยแง่เป็นของที่ไม่ดีเราก็จะละตรงนี้ไปได้แต่ถ้ายังไม่ได้อีกแต่มันยังมีอยู่ทําได้อยู่บ้างนิดหน่อยแต่อกุศลนั้นก็ยังอยู่แล้วก็ให้ เลนะิกอย่าไปคิดเรื่องสิ่งที่เป็นอกุศลนั้นให้มามีสตินะให้จิตของเรามาตั้งอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนะมีฐานที่ตั้งนะไม่ให้ไปก้าวลงในสิ่งที่เป็นอกุศลนะก็เหมือนกับคนมีตานะะ่นแหะมีตาแล้วก็ไม่อยากเห็นก็มองไปทางอื่นนะหรือว่าหลับตาซะแต่ถ้ายังไม่ได้นะยังมีอกุศลเกิดบ้างนะละไปได้บ้างแต่ก็ยังมีอยู่ทํำยังไงนะก็ให้ปรุงแต่งคิดเรื่องอื่น นะมองเห็นมันในลนักษณะของความเป็นธาตุแยกแยะแตกออกมานะทำเป็นเครื่องขูดกล้าวบ้างนะพิจารณาเห็นว่าเราจะไม่ทำได้ตรงไหนบ้างนะก็พิจารณาในแง่นีนะ้เหมือนกับคนที่เดินเร็วๆก็เปลี่ยนมาเป็นเดินช้าๆนะทำอริยบทที่ละเอียดลงละเอียดลงอันนี้ก็จะทำให้อคตสธรรมมันลาบไปได้แต่ทําอย่างไม่ได้ล่ะยังไม่ได้ทำยังไงวิธีการสุดท้ายท่านผฟังที่พระเจ้าบอกว่า ไดแน่นอนนะัคือการที่หักดิบเลยนะหักดิบนี่หมายความว่าขบฟันด้วยฟันนะจรวดเพดานด้วยลิ้นคมจิต ด, ด้วยจิตบีบบังคับจิต ด, ด้วยจิตเผาจิต ด, ด้วยจิตหมายความว่าไงคือบังคับเอาเลยนะถ้าเปรียบเหมือนกับเพื่อนก็คือจับแขนมันออกไปเลยอย่าได้คบกันอีกทิ้งมันไปแตนะ่คนนี้เป็นคนไม่ดีบอกสอนไม่ได้ให้ออกไปจ้าพระเจ้าเคยทําตอนนีนะ้เคยตอนที่เป็นโพธิสัตว์อยู่ แตมีความดำริว่าจะโจรโดเพดานเพดานลิ้นเนี่ยนะเพดานของปากเนี่ยด้วยลิ้นนะคือจรดเพดานด้วยลิ้นเนี่ยมันก็เจ็บป่ะสิก็ใช่สิเจ็บไปทำให้มันเจ็บดูสิว่าไอ้ความคิดชั่วมันจะออกไปไหมหรือขบฟันด้วยฟันนะมันก็เจ็บปะสิก็ใช่นะสิทำไปเลยถ้าผมยังคิดชั่วดูซิว่าไอ้ความคิดชั่วมันจะออกไปไหมหรือว่าทั้งนั้นขมจิต ด, ด้วยจิตบีบบังคับจิต ด, ด้วยจิตเผาจิต ด, ด้วยจิต ก็คือข่มขีให้เจ้าความคิดที่ชั่วเนี่ยมันออกไปข่คมขีให้เจ้าอคุศสธรรมเนี่ยมันมีที่อยู่ไม่ได้พุทธเาเปรีเหมือนกับคนที่มีกําลังแข็งแรงคนแข็งแรงเนี่ยไปรังแกคนอ่อนแอหรือรังแกยังไงงั้นต้องจับมันที่คอหรือที่ลําตัวแล้วก็บีบบีบ้าไปโหยหคนอ่อนแอเนี่ก็ต้อง น่าถึงกับตาเกือบถลนอะไรต่างๆมีความเร่าร้อนมีความขับแคนเกิดขึ้นเราต้องเอาเอากุเชรธรรมออกจากจิตนะไม่ได้ด้วยวิธีใดก็วิธีหนึ่งแตนะ่ยังวิธีที่ห้วิธีสุดท้ายเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราทําความเจ็บปวดให้เกิดขึ้นในร่างกายของเรานะด้วยตามกระบวนการในที่นี้นะเช่นว่าไม่ได้ว่าเอามีดมากรีด ต, ตัวเองหรือว่าทําสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นเป็นผลนะเป็นผลของการที่เราคิดชั่ว บางคนจะฆ่าตัวตายหรือจะที่ทำร้ายตัวเองเนี่ยเพราะว่าเป็นผลจากอกุศลธรรมในจิตใช่ไหมถ้างั้นเราไม่ทำอย่างนั้นนะวิธีการที่พุทเจ้าเนี่ยนะไม่ใช้นั่นะคือขบฟันด้วยฝันนะจรเพยายดานด้วยลิ้นแลนะคมจิตด้วยจิตก็จะทำให้อกุศลธรรมนั้นมันละไปได้เหมือนกับคนที่เราบังคับอย่างเงี้ยเราบังคับคนนีนะ้ต้องบอกต้องบอกข้อมูลนี้มาอย่างสายลับเนี่ยเขาถูกบังคับใช่ไหมก็ต้องยอมบอกหรือว่าใช้ยาหรือว่าใช้เครื่องมืออะไรค่มขีนั่นแหละ นะบีบบังคับนะให้ยอมทําตามแต่เช่นเดียวกันถ้าเราบีบบังคับจิตนะมันต้องยอมนะเรากดดันร่างกายของเรานะมันเหนื่อยล้ามันก็ไม่คิดเรื่องที่เป็นบ้าบอละแอนะย่างน้อยมันก็จะต้องทรงอยู่ได้อันนี้เป็นวิธีที่5้าข้าพเจ้าต้องการพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าหมายความว่าอยู่ๆปุ๊บก็ให้เราทําข้อที่5นี้เลยไม่ใช่อย่างนั้นแ ต, แต่ให้เป็นลําดับลําดับมานะเพราะว่าความคิดอกุศลเนี่ยที่มันอยู่ในจิตของเราเน่ย มันบางทีมันเกิดบางทีมันไม่เกิดบางทีมันเกิดนิดหน่อยบางทีมันเกิดมากไหนะซึ่งความเกิดความไม่เกิดความดับไปหายไปเอ้ยเราเอามาพิจารณาอ๋อนี่มันเป็นการเกิดดับก็ได้นั่นก็คือวิธีที่เท่าไหร่คือวิธีที่4แต่ไหคือมองเห็นได้แง่มุมอื่นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะดับไปได้ด้วยกรณีนี้แต่คนที่เห็นไหนะเราฝึกไปทําไปมันจะค่อยได้แต่ถ้ามันไม่ได้มันยังเกิดอยู่เรื่อยไหนะมีข่าวคราวอะไรมาคุณต้องหักดิบ ก็พระเ้ต้องการเปรียบเรื่องนี้กับเรื่องที่เราได้คุยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างกรณีของถ้าในหมู่เพื่อนของเรามีคนที่ไม่ดีอยู่แต่มีคนที่ผิดอาบาดอยู่เรื่อยนะทําผิดแล้วทําผิดเล่าซ้ําๆเอ๊เราบอกนะให้เวลาในการที่เขาแก้ไขนะก็เปรียบสมือนพิจิตรึไม่อย่างกรณีของพระเจ้านั่งอยู่ในที่ประชุมสงฆ์มีภิกษุคนหนึ่งที่ไม่ใช่พระละทำผิดศีละะละปาราชิกละมาแอบนั่งอยู่ โดยทําแบบไม่รู้ไม่ชี้นะ่ะก็ให้เวลาให้เวลาต้องแต่ชั่วโมงในการที่จะพิจารณาตัวเองออกไปเอ๊ะมันก็ยังไม่ออกไปนะ่ะก็เหมือนกับไล่มาเป็นลําดับนะคืออันดับแรกก็เริ่มจากการบอกสอนนะให้ทําความดีและความชั่วนะ่ะให้เวลาในการพิจารณาตัวตัดสินใจตัวเองอีกนะ่ะเผื่อจะแก้ไขได้นะ่ะแก้ไขไม่ได้นะ่ะเอาไปลงโทษนะ่ะกับรับกลับเข้าหมู่ในกะระบวนการของสงฆ์ก็จะมีนะเช่นว่า ไปมีอาบัติที่แรงอย่างเงี้ยก็ต้องไปลงโทษก่อนด้วยการให้อยู่คุกของพระเป็นต้นเสร็จแล้วก็มีการรับกลับเข้ามูหรือบางทีอาจจะไม่ต้องถึงกับไปลงโทษอย่างนั้นเอางั้นตัดออกไปก่อนระยะเวลาหนึ่งให้ไปพิจารณาตัว6เดือนบ้างปีหนึ่งบ้างไม่เห็นโทษของตัวเองแต่ถ้าเห็นโทษก็รับกลับเข้ามาแก็คล้ายๆกับวิธีที่4นั่นเองถ้ารับกลับเข้ามาแล้วดีก็ดีแต่ถ้าไม่ดียังชั่วอยู่สุดท้ายก็ต้องตัดทิ้งเลย นะก็ต้องไล่ออกไปเนะี่ยลักษณะที่ว่าจับกันออกไปเลยเนะีเหมือนกับจับที่จับภิกษุรูปนั้นที่ไม่ใช่พระแ ล, ะแล้วเนี่ยเอาไปจากหมู่จับแขนออกไปเลยล็อกประตูให้อยู่ขนอกก็คือเอาคนชั่วดือ้อด้าไม่รู้ระเบียบตีตนเสมอท่านมีความคิดได้สยามเป็นคนตระนีโอ้อวดตอนแรกมีวาจาหวานอยู่ต่อนหน้าคนอื่นพอรับหลังทําชั่วมีความปิ้นปลั้ น, นไม่เอื้อเฟื้อระเบียบโป้ปดทําทุกอย่างนะ่ยตัวนี้ต้องเอามันออกไป ตนี้กระบวนการที่เราต้องทําก็อย่างที่ว่าเหมือนกับวิธีการละอกุศนไม่ใช่อยู่ๆปุ๊บปับ๊บก็จะไล่เขาออกไปเลยแต่จะต้องผ่านกระบวนการเอาให้โอกาสแก้ตัวกันบ้างนะจะไปลงโทษบ้างอธนะิบายความที่ไม่ดีให้เขาฟังบ้างให้เขาพยายามทําทําดีขึ้นมาละความชั่วออกไปนะถ้าทําไม่ได้ก็หงจะต้องตัดออกไปนไะล่ออกไปแนะเราดูลักษณะอย่างของมะเร็งอย่างนี้ก็ไดนะ้มะเร็งที่มันกินร่างกายของเราอยู่ แตนะถ้ามันเหมือนกับจิตนี่แหละที่เป็นอคุสนมันค่อยบันทอนกําลังจิตของเราไปเรื่อยนะความคิดที่เป็นอคุสนี้ถ้าเรายังเก็บมันไว้นะเราก็อาจจะรักษามันด้วยการให้ยาบ้างโดยการกินอาหารที่ดีบ้างนะ่กินอาหารมันไม่ได้เสียตังค์มากมันก็กินอาหารอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เลือกอาหารดีๆมากินแต่ที่นี้มันไม่ได้ลราทํายังไงต้องไปซื้อยาละราคาแพงขึ้นนะมีส่วนผสมที่มันเข้มข้นมากขึ้น่นะซื้อยามา มันยังไม่ได้อีกเรารักษามะเร็งทําไงแล้มันเริ่มโตขึ้นมันยิ่งรุนแรงมากขึ้นคุณ ก, ก็ต้องฉายแสงใช้แสงแล้วก็ยังไม่ได้ต้องทํายังไงสุดท้ายต้องตัดทิ้งจำเนฝั่งและตัดทิ้งเพื่อรักษาส่วนดีๆเอาไว้ที่เดียวกันถ้าในจิตของเรามีความคิดที่ไม่ดีอยู่แตนะ่ความคิดนั้นเป็นเหมือนกับมะเร็งนะําบั่นทอนกําลังจิตของเราถ้าในหมู่พวกของเรามีคนที่ไม่ดีอยู่แตนะ่คนที่ไม่ดีนั้นเป็นมะเร็งที่เหมือนกับจะกินสังคมของเราแล้วนะทํา asters, ยังไงเราก็ต้องบอกให้เขาแก้ เราทำยังกับจิตของเราเราก็ต้องบ่อยความคิดที่เป็นอกุศลนั้นให้ออกไปให้เปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีแตถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ดีที่เขาทําอยู่เป็นสิ่งที่ดีได้ถ้าจิตดวงหน้าของเราที่มันไปก้าวลงในสิ่งที่เป็นอกุศลมันมารู้ในสิ่งที่เป็นกุศลได้อันนั้นดีแตบอกแล้วสอนแล้วมันยังทําไม่ได้ก็ให้แก้ไขแล้วให้รู้ข้อมูลแล้วให้พิจารณาตัวเองแล้วลงโทษก็แล้วก็ยังไม่ได้ก็ต้องขับออกไปไล่ออกไปลักษณะเกี่ยวกันนั่นเอง เรื่องการที่จะละเจ้าอากุศลนะตามลำดับ5ขั้นตอนนี้คือพูดถึงในจิตของเรานะแต่หลวงคาพเจ้าก็ยกตัวอย่างเปรียบเทียบถึงเรื่องการของการที่บุคคลภายนอกด้วยเหมือนกันเราจะพิจารณาเลือกคบคนอย่างเงี้ยแต่ถ้าบอกว่าเราเลือกคบคนที่เขาพอจะดีขึ้นไม่ได้แก้ไขได้ก็คบกันไปแต่ถ้าบอว่าแก้ไขไม่ได้ก็ต้องตัดจากความเป็นเพื่อนไปแต่เหมือนกันเราต้องละเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลนั้นไม่ได้ด้วยวิธีใดก็ต้องด้วยวิธีหนึ่งมันไม่มีที่อยู่ในใจของเรา มันไม่ควรจะต้องอยู่ในใจของเราดั่นั้นถท่านผู้ฟังมีคําถามข้อเสนอเนะหรือสิ่งใดๆที่จะติดต่อกับทางรายการแต่ก็มีช่องทางในการติดต่ออยู่ด้วยการเขียนจดหมายหรือปริศนียบัตรแต่ส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตําบลดอนไห่โศกอำเภอหนองหัจนจังหวัดอุดรธา น, นีรหัสปริศีสี่หนึ่หรือถ้าจะใช้อินเทอร์เน็ตสะดวกในทางใช้คอมพิวเตอร์นก็ไปที่ www. p พียวธรรมะดอทค p u r e d h a m m a c o m ร่วมกันที่เราได้พูดถึงในวันนี้คือเรื่องของการละสิ่งที่เป็นอกุศลซึ่งก็คือหนึ่งในองค์ประกอบของสัมมาวยามะในองค์ประกอบของสัมมาวยามะความเพียรชอบในความเพียรถ้าจะแปลให้ถูกก็คือการทําจริงนั่นเองการสู้การทําจริงการทํำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจริงจังการสู้ต่อสิ่งที่เป็นอกุศลการสู้ต่อความชั่วนี่แหละคือสัมมาวยามะนั่นแหละคือการละสิ่งที่เป็นอกุศลวันนี้ข้าพเจ้าพระภัยบุ์ก็ขอลาไปก่อน เพราันใหม่ในวันพรุ่งนี้จะผ่าน